ฉลแจันท บ, บุรีขั้นถึงวันใหม่บ่ายประมาณสี่โมงเย็นเรือก็ถึงท่าแฉลแบจังหวัดจันท บ, บุรีก็ลงเรือไปวัดป่าท่าแฉลแบพักอยู่ที่นั้นเป็นเดือนเมษายนสองสี่เก้าสามอากาศริมทะเลโปร่งมากแต่ก็ยุงมากพักทําความเพียรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนวันหนึ่งตั้งใจเดินจงกรมห้าโมงเย็นจนตลอดลุ่งเช้าถึงยามไปบินทบาตจึงหยุดไปบินทบาท ตั้งสติไว้กับขาก้าวไปมาพร้อมทั้งพิจารณาธรรมรู้พร้อมกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังกับกายที่เคลื่อนไหวก้าสั้นยาวหรือท้ายขวาขาขวาหรือท้ายกําลังเหยียบดินหรือกําลังเก้าอยู่รู้ทันกันไม่ถือเป็นของยากและได้ไปวิเวทที่อ่าวหมูอ่าวยานอันเป็นอเาเภอแหลมสิงเดินไปด้วยปีเต้าบ้างลงเรือแจวบ้างไปสามองด้วยกัน และได้เดินด้วยสีเทาไปวิเวกอำเภอขลุงกับท่านฟูลสององค์ได้ไปพักอยู่วัดกลุงอันเป็นวัดป่าที่ท่านอาจารย์วิริยังสร้างขึ้นองค์ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยวัดกงสีไล่ก็ไปพักแต่มิได้นอนแหลมเพราะเห็นว่าทึบมากแล้วกลับด้วยสีเทาถึงวัดป่าสายงามอำเภอเมืองจันทบุรีพักอยู่กับท่านอาจารย์แดงและอาจารย์สันท่านอาจารย์แดงก็ดีท่านอาจารย์สันก็ดี เป็นพระที่โอบอ้อมอาลีกว้างขวางมากวัดเหล่านี้สมัยนั้นวิเวกบังเวงทั้งนั้นท่านทวินได้พาไปเที่ยววัดโป่งแหลกบ้านคมบางวัดคลองกุ้งวัดป่าเนินเขาแก้ววนไปวนมากันอยู่ตามแถบนั้นแล้วเข้าจอดวัดป่าท่าเฉลีตามเดิมพักอยู่จันท บ, บุรีประมาณสามเดือนเวลาก็ล่วงไปเป็นเดือนมิถุนายนเวล า, ล า, ปป า, วลาห้าโมงเย็นวันหนึ่งได้กําลังเดินจงกรมอยู่ ทิศอโนไทยเจ้าของบริษัทเดินรถจันทบุรีพานิ่สายกรุงเทพได้ยื่นจดหมายด่วนให้ได้ฉีกอ่านในขณะนั้นเนื้อความในจดหมายว่าคุณจำสมคุณล่าคุณอรุณคุณปูลที่คิดถึงเดี๋ยวนี้ผมพักอยู่ที่วัดป่าอำเภอล่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอให้พวกท่านรีบเดินทางมากรุงเทพมาพักวัดบะลมีวัขอให้มาพร้อมขบวนรถทิศอโนไทย บริษัทจันท บ, บุรีพาณิชเจ้าของรถเขารู้จักความหมายแล้วและเมื่อพักรออยู่วัดบรมนิวาสนั้นท่านมหาปิ่นจะไปรับเอาพวกขุนที่นั้นด้วยความคิดถึงเทศเทศลังสีปิ่นชลิโตปอแล้วก็รีบจัดจแจงแต่งของในขณะนั้นเพื่อจะไปนอนค้างที่วัดป่าครองกุ้งใกล้เมืองได้รีบไปสั่งเสียโยมกุย้ยและโยมอ่อท่าะแลบเพราะเขาเป็นผู้ใกล้ชิดวัดป่าท่าเฉลบ แล้วจัดรถคันหนึ่งส่งถึงวัดปากลองกุ้งทิศอโนไทยก็กลับมาพร้อมกันทิศอโนไทยนัดหมายว่าตีสี่ในคืนนี้ให้ครูบาอาจารย์ไปรอรถที่หน้าวัดนะครับแล้วแกก็กลับบ้านแกในเมืองแล้วพากันไปกราบพระครูมงคลที่เป็นเจ้าอาวาสลาล่วงหน้าไว้ในตอนตีสี่องค์ท่านจัดให้พักรวมกันกุฏิเดียวอนิจจาเหยยในคืนนั้นเองข้าพระเจ้านอนไม่หลับเลย เพราะนิสัยแก่ยากถ้าจะไปไหนด่วนๆแล้วนอนไม่หลับเลยพอถึงตีสี่ก็พอดีรีไปขึ้นรถที่หน้าวัดรถคันนั้นก็ อ, ออกตีสี่กว่าประมาณ30นาทีพอถึงจังหวัดระยองรถก็จอดฉันเช้าแต่เกือบเที่ยงแล้วฉันอาหารด่วนๆตามถ้วยจำประมาณสิบคำเท่านั้นรถคันนั้นบรรจุคนโดยสารได้ประมาณหกสิบคนพอจะใกล้ถึงอำเภอสัตหีบหม่อนา้าก็ลัว วิ่งไปไม่นานก็ได้เติมน้ำเจ้าของรถเขาบ่นว่าเออให้รถคันนี้เขายอว่าวิ่งเร็วกูก็ได้หน้าเพราะมือแต่เวลานี้กูก็เสียหน้าเพราะมือพอถึงกรุงเทพก็มือเข้าทางศาลาแดงเขาเขียนรถไปจากศาลาแดงจนกว่าจะถึงบริษัทจันท บ, บุรีปาณชก็กินเวลานานเขาถือเป็นของสนุกทั้งเขียนไปทั้งกล่าวว่าจันท บ, บุรีเข็นส่งนี่ใช่ขนส่ง พอถึงแล้วตำรวจตามส่งพระเกงจะไม่ปลอดภัยเขาเอารถเก่งตามส่งวัดบรมมีวัดถึงวัดบรมมีวาดประมาณสองทุ่มและก็ได้พักกุฏิหลังสะเต่าตามเคยโ อ, อ้อนิจจาเอย๋ยเขียนประวัติทุกของตนก็ยืดยาวนักแท้แท้ไม่มีจบสิ้นได้เพียงในชาติหนึ่งหนึ่งก็อนเนกปริยายแล้วหนอขอเข็ยหลาบในเรื่องชาติาตพ บ, พบเพียงนีเถินอย่าได้มีพบ อย่าได้มีชาติต่อไปในข้างหน้าเกินปฏิบัติน้อยขอให้ไกลปฏิบัติหลายขอให้พ้นอย่าได้มาท่องเที่ยวในสงสารอีกเลยเพื่อจิเลตมีเท่าใดขอให้พระปัญญาเผาผ่านไม่หมดไปวิมุตติยานทัศนะจงปรากฏอยู่ทุกขณะลมปรานและทุกขณะใจถวายชีวันกระตันอยู่ต่อพระนิพพานอยู่ทุกขณะใจไม่มีเจตนาอื่นจะมาเป็นเจ้าหัวใจผูกขาดได้ ไล่หนีทมทีทีเดียวเจตนาย่อมเป็นยาโอสดสำคัญมากพบหลวงปู่เทศอีกคันพักอยู่วัดบลมนีวาดคืนแรกตื่นเช้าไหว้พระภาวนาแล้วได้เวลาไปบินธบาตฉันเสร็จแล้วพระอาจารย์มหาปิน่นก็มาเจอในที่นั้นก็เตรียมเดินทางไปวัดปา่าอำเภอลอนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่การไปคราวนี้ได้เยืมมูลค่าจากวัดบลำีวา่าเก้าร้อยบาท เพราะการโดยสารรถไฟปีได้ยกเลิกกันทั่วประเทศแล้วพอถึงวันใหม่ได้เวลาก็ไปขึ้นรถไฟด่วนจากสถานีบางกอกน้อยออกจากสถานีบางกอกน้อยเป็นเวลาห้าโมงเชาถึงจังหวัดสุราษฎร์ก็หกโมงเช้าของวันใหม่ก็ลงรถไปบินขบาทฉันรถไฟก็ไปจอดที่นั่นเพราะข้ามแม่นม้ําตาปีไม่ได้สะพานถูกทำลายสมัยสงครามญี่ปุ่นกับอังกฤษเมื่อฉันเชาวเสร็จแล้ว ก็ข้ามเรือไปต่อรถไฟฟากฝั่งโนนไปถึงวัดป่าร่อนพิบูรณ์ประมาณบ่ายสองกว่ า, วาแล้วพักอยู่วัดป่าร่อนพิบู์นั่นหลายคืนเห็นอักษรที่หน้ากุฏิว่าสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนารัชการที่ห้ามีกุฏิอยู่หลายหลังพอควรมีพระอยู่นั่นองค์เดียวอากาศเย็นมีน้าตกจากเขาข้างทางรถไฟทิศตะวันออกไม่ไกลถึงสามเนมีรอยพระบาทสร้างจาลองแต่รัชการที่ห้า เห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชรักเคารลบในใจว่าพระวงศตระกูลของสมเด็จพระบรมมาลาจารย์และสมเด็จพระบรมมาลาธินีนานี้ไม่ว่าจะยุบใดๆก็ดีย่ำทร ง, งเคารลบรักพระพุทธศาสนาอยู่เป็นเรี่ยงอย่างอันเลิศของประชาชนชาวพุทธตั้งแต่ดึกดําบันมาแต่ครั้งพุทธกาลเป็นพระหักข้างขวาของพระพุทธศาสนาอย่างประเสริฐแท้แท้แลหนอเล่าเรื่ององค์หลวงปู่เทศต่อไป ขณะที่ไปถึงล่อนพิบูรณ์แล้วหลวงปู่เทศไม่ได้อยู่ที่นั่นองค์ท่านไปพักอยู่วัดทพิศารจากล่อนพิบูรณ์ไปทางทิศใต้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรโดยข้าเนตื่นเจ้าบินสะบาทฉันเสร็จก็พากันจัดแจงบริขารแล้วเดินไปถึงวัดที่องค์ท่านพักอยู่แล้วพบพระอาจารย์คาไผ่และพระอาจารย์คมมาอยู่ที่นั้นกําลังจับเส้นถวายอยู่พระอาจารย์คําไผ่และพระอาจารย์พมมานี้ ได้ลงไปทางปักใต้แต่หลายปีแล้วเป็นพระภาคอีสานเหมือนกันพอข้าพระเจ้ากราบหลวงปู่เทศทรั้งที่หนึ่งแล้วเกิดสลดสังเวชในใจว่าเราพัดพลาดจากพระเถระผู้ใหญ่ภาคอีสานแล้วลงมาทางนี้อีกก็ได้พัดพลาดอีกเป็นเวลาเกือบสามเดือนหนอเพิ่งได้มาพบขณะนี้แลหนอเต็มตื่นเข้าแล้วน้าตาก็ไหลาอาบแก้มเลยองหลวงปู่เทศหัวาะแล้วถ่ายใจออกมาว่า คนเคยได้อยู่กับพระเถระผู้ใหญ่ไยปฏิบัติเมื่อพรากไปไม่เห็นกันนานพอเห็นเข้าก็สลดใจองค์ท่านทายถูกไม่มีผิดเลยแม้แต่น้อยแล้วก็พักอยู่นั่นคือหนึ่งตื่นเช้าบินธบาตจังเสร็จองค์ท่านก็พาหมู่กลับมาพักวัดป่าล้นพิบูรณ์ต่อไปท่านพักอยู่สองสามวันองค์ท่านกับท่านอาจารย์มหาปิ่นและคุณกเกษมก็ข้ามทะเลไปภูเก็ตเพื่อไปสืบดูที่จําพรรษา เราเป็นเดือนมิถุนายนแล้วปล่อยให้พระห้าองค์นี้พักอยู่ล่อนพิบูรณ์ไปพางๆก่อนมีท่านอาจารย์จำโสมเป็นหัวหน้าอนิจจาสังขารลาทุกขาอีกสี่ห้าวันก็ได้รับโทรเลขด่วนว่าให้โดยสารรถไปไปลงที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังไปพักที่สถานบำเพ็ญบุญรอขึ้นเรือที่ท่าเรือพอถึงวันใหม่เวลาบ่ายประมาณสองโมงกว่าโยมอำเภอล่อนพิบู์ก็ส่งขึ้นรถไป กลับอำเภอทุ่งสงแล้วจากทุ่งสงตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะรถไฟขบวนนี้ขึ้นมาจากทางสงขลาถึงทุ่งสงแล้วเลี้ยวซ้ายหักคืนไปทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วไปจอดที่ปลายทางท่าเรืออำเภอกันตังฝั่งมหาสมุทรอินเดียพอไปถึงแล้วก็ไปพักนอนแรมอยู่ที่ป่าสถานที่ทําบุญตื่นเจ้าบินทบาดจ๋ำเสร็จก็ได้รับจดหมายอีกสองฉบับเป็นจดหมายที่ไม่ปิดซอง เนื้อความในจดหมายว่าขอให้คุณล่าเอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งที่อำเภอกันตังด้วยตนเองแล้วตอนเย็นรอลงเรือไปภูเก็ตแล้วให้พากันไปพักที่วัดจีนแล้วรออยู่ที่นั้นตอนบ่ายจะมีรถมารับไปโคกกร่อยจังหวัดพังงาส่วนการฉันนั้นญาติโยมเขาจะมาเลี้ยงที่วัดจีนนั้นแล้วก็รีบไปส่งจดหมายที่อำเภอเพราะไม่ไกลจากที่พักไปองเดียว พอขึ้นไปถึงที่ว่าการอำเภอเจ้าขุนโมลนายอำเภอนี้แปลกมากพากันลุกยืนขึ้นยกมือปนมพร้อมกันหมดเราก็บอกว่าเ ป, เป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วก็ยื่นจดหมายให้เขารีบอ่านในที่ประชุมนั้นว่าที่พักโครกรอยจังหวัดพังงาเจริญพรคณะกรรมการอำเภอนี้ทุกท่านที่นับถือไว้ในพุทธศาสนาตลอดกาลานานขอรบกวนวิงวอนว่าให้นายโพเดชผล เจาน้าที่สุลกากรช่วยส่งพระสุดงที่พักรออยู่สถานที่ําบุญลงเรือถึงภูเก็ตให้โดยด่วนด้วยหวังว่าคงไม่ขัดข้องและก็คงเป็นบุญอยู่ไม่น้อยเลยด้วยความนับถือพระมหาปิ่นชริโตแต่วันที่เดือนพศนั้นจําไม่ได้เพราะนานแล้วแล้วก็ลาเขากลับที่พักพอบ่ายสี่โมงก็มีผู้มาบอกว่าขอนิมนต์เตรียมตัวไปท่าเรือเพื่อลงเรือแต่เรือนั้น จะออกหกโมงเย็นก็จำได้อยู่แต่ไปคอยก่อนเพราะจะสะดวกที่นั่งภูเก็ตพังงาทำได้เวลาหกโมงเย็นแล้วเรือก็ออกคนอยู่ในเรือนั้นประมาณสองร้อยคนเรือตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นฤดูที่มีคลื่นจัดเป็นเดือนมิถุนายนข้างแหลมตั้งใจภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะเสี่ยงชีวิตหนักเข้าเราอยู่สานักธรรมดา ก็เสี่ยงชีวิตประจําวันอยู่ทุกลมปรานแล้วชะไหนจะไว้ใจในชีวิตได้พื้นมาแต่ละลูกก็เผื่อเข้าภูเขาเสียแล้วเรือกระโดดขึ้นเป็นระยะระยะเรือผินหน้าจู่ขึ้นเพราะลมพัดมาจากทิศตะวันตกเสียงใต้ขึ้นก็ต้องมาตามลมจากหินข้างเรือให้จู่ขึ้นเรือก็ต้องจมถ้าพิจารณานอมเข้าหาธรรมแล้วยังเป็นขึ้นภายนอกอยู่ขึ้นภายในคือโลกโกรธหลง เป็นคลื่นที่กระทบกระเทือนอยู่ในขันทักษันดานจนเคยชินผู้มีกิเลสมากก็มีคลื่นมากผู้มีกิเลสเบาก็มีคลื่นเบาผู้ไม่มีกิเลสเลยคลื่นก็ไม่มีเลยเหลือคือใจก็มิได้โอนเอียงไปทางใดแต่เป็นของพูดง่ายทําได้ยากเพราะช่างลงมือทำํำเป็นของยากช่างปากทําเป็นของทําได้ง่ายยากกับง่ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ชอบและผู้ไม่ชอบ ขั้นเหลือจอดที่ท่าปูเก็ตแล้วก็เดินไปวัดจีนใกลจากท่าเรือประมาณสิบห้าเซนยาโยมมาใส่บาตรที่นั้นเป็นเวลาประมาณห้าโมงเช้าพระจีนอยู่ที่นั่นองค์เดียวห้าพันสานุ่งกางเกงขาวกว้างยาวแกทับทายปลาสัยดีแกฉันเจคั้นฉันเสร็จแล้วพระจีนก็พาเข้าไปชมที่กุติวิหารมีรูปพระกัดจเหมือนกันแกถามว่าพูดภาษาจีนเป็นไหมตอบว่าไม่เป็น พอเวลาบ่ายสองกว่ารถพังงาก็ามารับรถวิ่งไปประมาณสี่สิบกิโลเมตรก็ข้ามน้ําอีกข้ามเรือเขาเรียกว่าท่าจัดชัยไปถึงฝั่งนั้นเขาเรียกว่าท่านุ่นเป็นเขตจังหวัดพังงาอําเภอตะกวัวทุ่งขึ้นรถยนต์ต่อไปอีกประมาณสาสิกิโลเมตรก็ถึงสีแยกหกรอยคือแยกหนึ่งไปภูเก็ตแยกหนึ่งไปตะกัวป่าแยกหนึ่งไปจังหวัดพังงาแยกเล็กๆไปทะเล แล้วทําวัดป่าขึ้นที่นากลางใกล้โคกคลอยนั้นเป็นดินราบไปบินธบดีได้สองทางคือไปทางโคกกรอยทางหนึ่งไปทางนากลางทางหนึ่งพรรษาหกจาพรรษาที่โคกกรอยในปีนั้นญาติโยมทางจังหวัดพังงาจัดวัดขึ้นด่วนๆได้สี่สำนักเพราะก็จวนแจจะเข้าพรรษาแล้วสำนักประสมให้ท่านอาจารย์มหาปิ่นเป็นหัวหน้าสำนักอำเภอท้ายเหมืองให้พระอาจารย์จันโสมเป็นหัวหน้า สำนักกาไหลให้อาจารย์สามเป็นหัวหน้าสำนักโคกลอยนากลางองค์หลวงปู่เทพเป็นหัวหน้าพระอาจารย์มหาปิ่นมาขอข้าพเจ้าไปอยู่ด้วยแต่องค์หลวงปู่เทพก็ไม่ยอมให้เพราะมีเหตุผลว่าคุณล่ากเคยได้อยู่กับพระผู้ใหญ่มานานปีกำลังว้าเวยอยู่จงให้อยู่กับผมไปก่อนคุณอรุณก็เช่นกันมีคุณเทพพระจังหวัดชุมพรอาเภอหลังสวนไปด้วยอีกอง คุณกเกษมก็อยู่ด้วยกันเหลือนอกนั้นก็แล้วแต่เห็นสมควรคืออาจารย์กรมมาอาจารย์คำไายและยังมีหลวงพ่อคำพันมีลูกศิษย์ไปอีกห้าลูกท่านเที่ยวอยู่ตามแถบนั้นก็เข้ามารวมกันและเมื่อแยกกันอยู่ความออนละเวงของญาติโยมและฝ่ายมหานิกายกระทบกระเทือนกันทางวาจาขึ้นเป็นธรรมดาเพราะภูเข็ตพังงาไม่เคยมีธรรมยุทธ์แต่ผลสุดท้าย ก็ลงเอยอยู่กับกรรมและผลของกรรมของใครของมันตามธรรมชาติของธรรมไม่มีสารใดๆจะมาตัดสินให้ใครแพร้ใครชนะได้ในโลกไม่ว่าโลกยุคไหนไหนบุคคลผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วมักจะถือแพ้ถือชนะภายนอกเสมอด้านจิตใจก็เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ถึงความจริงได้มักจะสุกเอาเผากินทั้งความทั้งไหเพราะไม่กลัวเจอก้าง และมักจะทำชั่วในที่ลับและที่แจง้งผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทผู้นั้นจะไม่ทำความชั่วในที่ลับและที่แจง้งแม้จะทำความดีก็ไม่ทำเพื่อจะอวดอ้างใครๆย่อมทำความดีได้สนิททางที่ลับและที่แจง้งเรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตรงพอได้ข้ามปุตุชนคนหนาไปแล้วด้วยปัญญาอันรู้ทางเดินตรงไปไม่แวะซ้ายไม่แววขวาเลย ไม่สุ่มเดาท่านจำพรรษาในโคกกลอยกลางพรรษานั้นได้เขารบรักปฏิปทาที่หลวงปู่มั่นพามาทำมามีสุดงขวัดเป็นต้นก็เกิดปัญหากับผู้ต้องการจะลดหย่อนบ้างแต่องค์หลวงปู่เทศองค์ท่านเทศบ่อยๆว่าพากันตั้งใจปฏิบัติอย่าลืมตัวทำวินัยเป็นของเก่าม่ใช่ของใหม่เลยข้าพระเจ้าเห็นดีด้วยถ้าเปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามกาลเทศะไปหมดทุกอัน ไม่มีขอบเขตก็จะไม่มีข้อวัดปฏิบัติอันใดจะเหลืออยู่พักทางกิเลสเป็นพักมีเสียงมากพาดึงจิตใจให้ละอาและย่อนลงได้ง่ายเราขึงสายละเดียงตากผ้าก็ว่าดึงจนหมดกำลังแต่เมื่อถูกแดดมาพร้อมทั้งตากฝ้าผาดก็ย่อนลงจนลากดินฉันใดก็ดีเมื่อปัดใจสี่บริบูรณ์มาบ้างข้อวัดปฏิบัติก็ย่อนลงไปตีละเล็กีละน้อยเมื่อปัจัยไม่บริบูรณ ก็คอยแต่จะละอาอีกเมื่อผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่มีเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารแล้วนะโยบายที่เป็นไปในมโนภาพย่ำปีนเกี่ยวไม่ทางใดก็ทางหนึ่งย่ำเป็นเจ้าเล่เจ้าคนมายาอยู่นั่นเองทีเดียวหลวงปู่มั่นในนิมิตวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มสนใจในข้อวัดของหลวงปู่มั่นในยกบ้านหนองผือสกล น, นครไม่อยากให้หลุดไปสักอันเลย แล้วก็พิจารณาสังขารสูญจากตัดจากบุคคลในเงื่อนสองพร้อมกับลมออกเข้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราติดต่ออยู่ไม่ขาดวักไม่ขาดตอนเงียบลงไปได้ปรากฏเห็นองค์หลวงปู่มั่นมายืนบรรจงผมผ้าเฉวียงบางเอามือซ้ายหย่อนเหยียดลงใต้ทองเอามือขวาเหยียดลงประทับมือซ้ายพอด จ, จัตโตรงพอชั่วแอดสะพายย่ามทางขวาเป็นย่ามใหม่มีสิ่งของอยู่ในย่ามด้วย เพราะย่ามพองคลองอยู่ท่าทางยืนจงกรมและท่าทางปงรงทมสังเวอีผินหน้ามาทางทิศใต้ยืนอยู่ดินลาบราบห่างจากกุติข้าพเจ้ามาทางทิศใต้ประมาณห้าวาห่างจากกุติหลวงปู่เทศไปทางทิศเหนือประมาณ12บสองวาผินหน้ามาทางกุติหลวงปู่เทศในเวลานั้นข้าพเจ้าอยู่ที่กุติหลวงปู่เทศทากิจธุระอันใดอันหนึ่งอยู่และหลวงปู่เทศ ก็อยู่ในกุติของท่านแต่กุตินั้นมีได้กันโล่งโถงอยู่พอข้าพเจ้าเหลือไปเห็นองคหลวงปู่มั่นยืนในมารยาทปรงธรรมสังเวชจิตใจก็เกิดปิติยินดีว่าองคหลวงปู่ยืนผินหน้ามาใส่เรียบมากงดงามมากนึกในใจได้โดยเร็วว่าเราต้องเหาะพุกเขา่าพร้อมทั้งปนมมือไปให้สูงประมาณบ้นเอวแล้วค่อยประยุงตรงลงต่อหน้าใกล้ป่าเท่าองคหลวงปู่ พร้อมทั้งปนมมืออยู่เป็นนิดนึกอย่างนี้ได้รวดเร็วแล้วก็ห่ะพร้อมทั้งคุกเขา่าพร้อมทั้งปนมมือไปโดยรวดเร็วแต่พอใกล้องค์หลวงปู่ประมาณหนึ่งศอกก็ค่อยพยุงเขา่าลงจะหลดพื้นดินพร้อมทั้งแงนคอขึ้นและและดูหน้าองค์หลวงปู่แม่น้ําตาลก็ไหลออกด้วยตําองค์หลวงปู่ถามว่าท่านจะเปลี่ยนย่ามไหมเรียนองค์ท่านว่าไม่เปลี่ยนดอกข้น้อยเพราะย่ามพันชัยอยู่เดี๋ยวนี้ ก็เป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้แล้วองค์ท่านถามอีกเป็นครั้งที่สองว่าเอาย่ามไหมพร้อมทั้งเอื้อมมือให้เรียนท่านว่าข้าน้อยไม่เอาดอกย่ามเดิมที่ใช้อยู่นี้ก็ยังดีๆอยู่ไม่ทันขาดและก็เป็นย่ามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้แล้วองค์หลวงปู่ก็หายตัวไปไหนขณะนั้นข้า พ, พเจ้าก็นั่งคุกเข่าพนมมืออิทพวงอยู่ที่เก่ายังมีได้เคลื่อนที่ไปไหนอีกสักครู่ ท่านก็มายืนที่ไกลๆที่เดิมนั้นอีกเอาเอาย่ามเรียนว่าข้าน้อยไม่เอาดอกยืนยันอย่างเดิมอยู่องค์ท่านกล่าวว่าโยมกำลังจะมาหาเรามากเราจะไปดอกว่าแล้วก็หายตัวไปเลยจิตก็ถอนออกมาเห็นลมหายใจออกเข้าอยู่พร้อมทั้งพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แต่น้ำตาปรากฏเปียกแก้มส่วนตานั้นใสแจ๋วอยู่ไม่ใช่หลับรสชาติอันนี้ จำได้ชัดไม่มีเทวดามารพรมใดๆจะมาทำให้ลืมได้จนวันสิ้นลมปลานขั้นเป็นวันใหม่ได้เวลาโอกาสอำนวยก็ไปกราบเท้าเรียญถวายองค์หลวงปู่เทศอย่างพิสดางองท่านตอบว่าผมก็เหมือนกันถ้าเราเคารพหนักในครูบาอาจารย์องค์ใดย่ยอมปรากฏมาให้เห็นยามเราสนใจทำในข้อวัดต่างๆแต่นิ่ใช่เราสงสัยปฏิปทา ข้อวัดมาส่งเสริมเจตนาดีของเราด้วยอุบายต่างๆเป็นเรื่องทดสอบเราอยู่ในตัวว่าเราหนักแน่นในธรรมเพียงไรตัวของเราเองก็ทดสอบเราเองได้ในตัวชั่งน้ำหนักของตัวได้ไม่สงสัยเลยแล้วองหลวงปู่เทศถามต่อไปว่าถ้าพิจารณานอกๆออกมากกว่านั้นคุณได้ความว่ายังไงในเรื่องนี้กราบเรียนองค์ท่านว่าได้ความบ้างตามภาษาแต่จะถูกหรือผิดก็ไม่ทราบได้ ถ้าไม่ถูกให้พระอาจารย์โปรดแก้เชินได้ความว่าล่าเอยข้อวัดปฏิบัติที่เราพาทาอยู่ยุคหนองผือนั้นอันเกี่ยวกับหมู่สังคมตามความนิยมของตาละเทสะจะเปลี่ยนตามหมู่เพื่อนบ้างก็ได้ส่วนด้านจิตใจภายในของใครของมันเป็นส่วนหนึ่งดอกเหตุ น, นั้นจึงสําๆซักๆักในการจะเปลี่ยนย่ำให้แต่ด้วยอานาจถือสัตว์ว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนองหลวงปู่มั่น จึงไม่ใช่อุบายขู่เข็นให้เปลี่ยนจึงหายตัวไปโดยสุภาพกระผมพิจารณาได้อย่างนี้จะถูกหรือผิดประการใดหนอขอรับองค์หลวงปู่เทศตอบว่าเออคุณแก้ปัญหาของตนเองมีเหตุผลพอถ้าให้ผมแก้ผมก็แก้อย่างนั้นละแล้วก็จบไปในเรื่องนี้ขั้นต่อมาพรรษาที่สองยุคภูเก็ตพังงาทางภูเก็ตก็เพิ่มขึ้นอีกสองตำนักคือเขาโตเซหลังสาลจังหวัด ตำบลบางง่วอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและสนามบินภูเก็ตเพราะมีครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนทยอยกันลงไปเรื่อยๆไม่ขาดองค์หลวงปูเทศได้จำพรรษาที่ภูเก็ตพระอาจารย์เหรียญวัดป่าตโนดสวนพลิขอําเภอตะกัวทุง่งพระอาจารย์มหาปิน่นวัดป่ากาไหลอําเภอตะกัวทุง่งอาจารย์จันสมอําเภอท้ายเหมืองส่วนใหญ่ไปประชุมกันที่องค์หลวงปู่เทศอยู่เพราะไปมาสะดวกเรื่องรถยนต์ ปีที่สองที่สามข้าพเจ้าจำพรรษากับพระอาจารย์เหรียญมีหมู่ปีละห้าหกองกุฏิปูฟ้ามุงจากกั้นจากทั้งนั้นหรือดูแลงข้าพเจ้าชอบไปวิเวกองค์เดียวตามควรเขาดินบ้างควรเขาหินบ้างเพราะภูเก็ตพังงามมีแต่ภูเขามากแต่ก็มีเหมืองแร่เหมืองดีบุกแหล่งสวนยางมากเหมือนกันมีสัตว์ป่ามากเหมือนกันเพราะเขาไม่ลังแกสัตว์ป่าเหมือนภาคอีสานแต่เขาลังแกปลาทะเล กุงทะเลหอยทะเลโจนผู้ลายมีน้อยนักหนาแ ท, แท้ๆกติกาของค้านาสงองหลวงปู่เทศมีปัญญามากมายนักหนาหลายๆในที่เอาออกใช้กับลูกศิษย์องค์ท่านกล่าวกับลูกศิษย์ที่จำพรรษาปีอยู่โบกรอยว่าพวกเรามาอยู่ภาคใตน้นี้จะเจริญและเสื่อมอย่างไรขอให้ตอบได้ตามความเห็นอิสระของตนไม่ให้เกรงใจองค์หนึ่งก็เรียนตอบอย่างหนึ่งไปคนละแง่ แต่ความหมายของเนื้อเรื่องก็ลงลอยเดียวกันติดแต่ตรงหรืออ้อมเท่านั้นพอถึงวาระข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เรียนตอบแบบเห็นตรงว่าส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอยกไว้บนกระหม่อมเพราะรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตนโดยส่วนเฉพาะองค์แล้วส่วนผู้น้อยที่ยังไม่รู้อิโนโอิเนนั้นจะเจริญขึ้นยากขอรับผมองค์ท่านถามว่าเพราะเหตุไรเรียนตอบว่าเพราะเหตุว่า สถานที่ไม่อำานวยมีแต่นามมากและเป็นภูเขาสูงชันเป็นส่วนมากที่ไหนพอปีนป่ายได้ก็เป็นสวนยางเหมืองแรกเหมืองดีบุกนาสวนเขาไปเสียส่วนบุคคลจีวรบินทบบารเพษัดพอเป็นไปได้ขอรับผมองค์หลวงปูคำานึงแบบเย็นๆแล้วไม่พูดว่าถูกหรือผิดแล้วก็ผ่านไปเรื่องอื่นพระอาจารย์มหาป่นกล่าวต่อไปว่าการตัดรับนิมนต์ออก คงจะดีเพราะยุ่งเหยิงคุณอรุณกล่าวว่าถ้าไม่รับนิมนต์ก็ไม่รับทั้งคนรวยและคนจนให้เสมอภาคกันถ้าคนรวยเขาเอารถมาลบเราก็ปลอไปก็ถูกโจมตีจากคนจนอีกหรือประการใดขอลำแล้วก็หัวเลาะกันแบบขันขันก็ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องนี้ส่วนน้ํามนต์น้ําพรเรื่องนี้ได้ยินดีผ้าบางสุกุลอันนี้ก็ได้ไม่ให้มีมูลค่าส่วนตัวอันนี้ได้ มูลค่ากลางสงและค่าเดินทางหรืออะไรอะไรให้ขึ้นกับญาติโยมจะทำกันไม่ให้พระลูจำนวนด้วยจะต้องการอะไรกับโยมให้สงและพระเถระทราบก่อนนีฉะนั้นแล้วต่างคนจะต่างวุ่นตามอาเภอใจข้อนี้ได้กันแนบเนียนอยู่พอควรการก่อข่อสร้งสงางที่ได้ลงทุนตั้งแต่ประมาณพันบาทขึ้นไปไม่ให้พระไปลิเริ่มเพื่อลวงกระเป๋าเขาข้อนี้ได้เป็นบางสานักบางบุคคล แต่สามปีต้นได้เรียบร้อยอยู่ต่อมาคงกระจุยกระจายบ้างแต่ข้าพเจ้าได้สามปีก็กลับก่อนหมูทั้งสิน้นอุบายกลับอีสานการที่ข้าพเจ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดนับแต่อดีตที่ล่วงมาได้นึกในใจเป็นพิเศษว่าถ้าหากมีชีวาอายุมั่นขวัญยืนมีอายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบแล้วด้านเสนาสนะภายนอกจะเก็บตัวตายในยามแก่ชราที่ไหนหนอ ได้สำเนียกสถานที่ไว้อยู่เสมอเสมอไม่ได้ไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองดูภูมิประเทศภายนอกเฉยแต่เพื่อคนทุกข์ในสงสารอันขาดตัวอยู่แล้วเจตนาอันนี้มีได้ขบฏข้นและมิได้บังคับเพราะมีเจตนาต้นมือก่อนออกอุปสมบทแล้วมิได้หนักใจในเจตนาและเวลาที่อยู่ปักใต้ได้สำเนียวว่าถ้าเราอยู่ต่อไปอีกให้ถึงสี่ปีก็คงไม่ไหว เพราะสถานที่ไม่อํานวยดังกล่าวแล้วแต่ถ้าเราจะไปซึ่งหน้าญาติโยมเหล่าก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนทั้งฝ่ายพระและฝ่ายโยมทําให้พระมากับเราไม่ตํากว่าหนึ่งองค์และก็เกณฑคุณอรุณจะกลับมาพร้อมถ้าหากว่าเราจะทำกลนอุบายเพื่อลาเยี่ยมบ้างทั้งค่าไปและค่ากลับในการโดยสารโยมเขาก็จะจัดให้พร้อมเมื่อโยมเขากําลังละแวงและหวงพระอยู่อย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้พิจารณามากขึ้นเมื่อออกพรรษาแล้วในปีที่สามพอถึงเดือนมกราคมก็ลาออกวิเวกแต่ผู้เดียวตั้งใจว่าจะกลับภาคอีสานแต่ไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ใดฟังในเรื่องจะกลับและจะค่อยวิเวกไปไม่รีบด่วนโยมและป่ายคณะสงฆ์ก็คงสงสัยมากเพราะเห็นจัดบริขารออกเหลือน้อยรองเท้าก็ไม่เอาผ้าจีวรและสังคา ต, ตัดใหม่ๆย้อมใหม่ๆ ก็ไม่เอาเพราะเห็นว่าผ้าใหม่เมื่อถูกซักน้ำธรรมดาคราวจำเป็นผ้าจะขาวออกผ้าไตรเก่าพอจะคุ้มปีอยู่ผ้าอาบน้ำเอาสองผืนกับผืนเก่าผ้าอังสักผืนเดียวผ้าสบงผืนเดียวผ้าปกหมอนตัดออกเอาผ้าปูนอนคือผ้าหาบปกเอาในตัวย่ามตัดออกหนังสือมีแต่ปาติโมกับใบสุทธิห่อผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ยาแก้พิษตักัดต่อย ยาตาพระสลับเดียวไปจักแก็บไปฉายมุงบงังกดไม่ใหญ่โตเท่าไหร่สะพายบ่าเดียวแบกกดขึ้นรถยนต์ไปลงจังหวัดพังงาในตัวจังหวัดพังงาไกลจากที่จำพรรษาอำเภอหนึ่งไปพักที่ทำกันทิศตะวันออกไกลจากเมืองหนึ่งกิโลเมตรได้ข้ามนาม้ำกว้างประมาณสองเส้นลึกเพียงเขา่าไหลอยู่ไม่ขาดไหลลงสู่ทะเลในให้เข้าใจว่า ทางทิศเหนือของเกาะภูเก็ตเขาเรียกกันว่าทะเลในทางทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกของภูเก็ตและทิศเหนือของภูเก็ตก็คือมหาสมุทรอินเดียเราดีๆนี่เองแปลว่าจังหวัดพังงาเป็นแหลมของจังหวัดสุราษฎร์ยื่นออกไปแทงมหาสมุทรอินเดียภูเก็ตอยู่ในเกาะมหาสมุทรอินเดียและจังหวัดพังงานี้อยู่ในหุบเขาลึกหลังเขาตีนเขามีสัตว์ป่านานาชนิด เช่นเสืองูลิงข้างบางชนีหมีอีเก่งเลี้ยงผาเป็นตน้นถ้าไล่นับไปก็มากจะเป็นเดรัจฉานกระถาในพมมาชาลสูตรศีละขันสวักนักปราชญ์อ่านพบก็จะหัวเลาะว่าพูดแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองพระผู้ดงอะไรอย่างนี้แปลกมากจะ ก, กลายเป็นผู้ดงแผ่นที่ภายนอกไปอยู่ถ้ำไหนๆก็หนีไม่พ้น่ํำกาย่ํำใจนี้จะได้พิจารณากัน สัตว์ป่าที่อยู่ในถ้านี้มานมนานจนตั้งบ้านตั้งเมืองได้ยิสระก็คือสัตว์กิเลสราชสีตัวที่หนึ่งสองสามก็คือโลกโกดหลงไฟก็ว่างอาวิชชาก็เลี่ยดได้ยศได้นามหลายชื่อแท้แท้เพราะเป็นเจ้าใหญ่นายโตประจำกายประจำใจเป็นเจ้าโลกเจ้าสังขารมานมนานเขากลัวแต่กองทัพธรรมอริยมรรยผลเท่านั้นต่ากว่านั้นลงมา เขาไม่กลัวหรอกคล้ายกับลิ้มกับยุงไปกัดช้างเท่านั้นแหละหรือมิฉะนั้นคล้ายกับเอาไม้จิ้มปันไปงันภูเขาที่เล็กก็ไม่หวั่นไหวได้ง่าย